เรื่องปรารบความเพียรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุ ษ, ษธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ปรารบความเพียรแล้วสามารถจะมีทำได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่ยี่สิบ